มันมีประเด็นว่าเออเมื่อวานได้กลับไปฟังที่คลิปที่หลวงพ่อได้ได้อัดมานะครับก็คือจะมีทีมผู้สนทนาสนใจว่าในเมื่อสิ่งสิ่งที่ไม่ปรากฏนั้นครับมันมีจริงๆริงเขาก็เลยมีความสับสนว่าในเมื่อไม่ปรากฏแล้วมันมีได้ยังไงตรงนี้ผมต้องขอความเมตตาจากหลวงพ่อว่าได้ช่วยธิบายว่าเออมันมีสิ่งที่ปรากฏคือมีสิ่งที่เกิดและมันมีสิ่งที่ไม่ปรากฏคือไม่เกิด แต่มันมีเขาก็เลยมีความสับสนว่าคำนี้มันมันไม่ปรากฏแล้วมันมันมีได้ยังไงเมตตาหลวงพ่อได้ขยายตรงนี้นิดนึงครับนาะวัดนี้ฝนตกแต่ว่าโอเคตอนนี้หลวงพ่อเป็นคนพูดก็ไม่เป็นไรจริงๆนะธรรมชาติเนี่ยมันมีธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งนี้มีอยู่แล้วก็คือธรรมชาติที่ไม่ปรากฏธรรมชาติที่ไม่เกิดเนี่ยมีอยู่ แล้วก็ธรรมชาติที่เกิดที่ปรากฏมันก็เกิดบนก็เรียกว่ามันมีบนธรรมชาติที่ไม่ปรากฏทีเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากมากถ้าไม่มีการอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะยกตัวอย่างขึ้นมาว่าแต่อย่างน้อยมันต้องรู้จักธรรมชาติที่เกิดก่อนนะที่ปรากฏก่อนอะไรบ้างเช่นนะเอาในตัวเราดีกว่าเอาสมม ต, ติตอนนี้ความโกรธไม่มีถูกไหมอ่านะความโกรธตอนเนี้ย ไม่มีความโกรธความโกรธไม่มีรู้จักได้เนี่ว่าความโกรธเป็นยังไงตอนเนี้ยความโกรธไม่มีนะพอไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าไม่มีความโกรธเนี่ยคนเราปกติคือจะไม่รู้อะไรเลยคือไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันรู้จักแต่ความโกรธพอความโกรธไม่มีคือเหมือนกับว่าไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าไอ้นั้นแหละตอนนั้นนหละมันยังมีสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏลงมีอยู่นะทีนี้หลวงพ่อพูดอย่างนี้อ่ะทีนี้พอมีความเดี๋ยวจะทํายังไงเอาเสียง เสียงดีกว่าเนาะเพราะเสียงมันกำลังปรากฏอยู่แต่ความโกรธตอนนี้มันไม่มีไงพอมันไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่รู้จะนะงั้นเอาเสียงดีกว่าหลวงพ่อจะนับเป็นตัวเลขเป็นครั้งเนาะเลขหนึ่งสองามเนี่ยเดี๋ยวจะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีเสียงคื อ, ค, อคือสิ่งที่ปรากฏนะพอพอหลวงพ่อหยุดพูดเสียงก็ไม่ปรากฏอ่านะทีนี้สิ่งที่โยมสังเกตคือให้สังเกตเลยว่า ก่อนที่เสียงจะเกิดนะอ่าเนี่ยตรงเนี้ยคือเสียงเนี่ยมันเกิดมากอะมันเกิดบ่อยอะเนาะเลยไม่รู้จะเริ่มนับตรงไหนว่าก่อนเสียงเกิดมันก็พูดยากเอาอย่างนั้นเอาเสียงเกิดแล้วก็ได้เอาเมื่อเสียงเกิดแล้วเสียงดับโยมลองดูน ะ, ะตรงเนี้ยที่เดียวกันเนี่ยมันมีมันมีสิ่งเกิดกับสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่เกิดพอเสียงเกิดเสียงก็ดับมันดับสู่อะไรก็ดับสู่ความว่างคือความไม่ปรากฏ แล้วก็เสียงเกิดใหม่ขณะต่อมาก็เกิดแล้วแล้วมันก็ดับอีกแล้วก็เสียงก็เกิดใหม่แล้วก็ดับอีกตรงนี้บนอะไรอ่ะมันก็ต้องเกิดดับบนความไม่มีสิใช่ไหมเพราะเสียงเป็นสิ่งที่มีแต่ความไม่มีคือมันไม่ปรากฏเสียงมันไม่ปรากฏเออมันไม่ปรากฏเสียงแล้วก็ต่อมาก็เสียงปรากฏอีกแล้วก็เสียงก็ดับอีก แต่ความไม่ปรากฏอ่ะมันไม่ใช่เสียงมันเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่ก็หมายความว่าเสียงจะมีหรือไม่มีแต่ความไม่ปรากฏเนี่ยมันเป็นพื้นรองรับมาก็เรียกว่าไม่บอกไม่ได้ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะและก็บอกไม่ได้ว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่เพราะว่ามันเป็นความไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อาจจะหมดไปนะ แต่สิ่งที่เกิดคือเสียงต่างหากที่เกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปตรงนี้เห็นแล้วยังว่าในที่เดียวกันเนี่ยในที่เดียวกันที่เสียงเกิดตรงนั้นแหละมันก็มีที่ไม่ปรากฏมันอยู่ที่เดียวกันแต่ว่ามันเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างกันเสียงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดดับแต่ที่ไม่ใช่เสียงเนี่ยตอนที่เงียบอ่ะมันก็ไม่มีเสียงเขาเรียกว่ามันเป็นความว่างนะ เป็นความว่างเป็นความไม่ปรากฏแต่จริงๆอ่ะไอ้เรื่องนี้เป็นแค่ยกอุ ป, ปมาแค่ตัวอย่างแต่มันก็ยังปรากฏอยู่ดีทำไมปรากฏเสียงเป็นที่ปรากฏโอเคไม่มีปัญหาเพราะรับรู้ได้แต่ไอ้ความว่างอ่ะถามว่าปรากฏไหมก็ยังปรากฏทำไมปรากฏละ่ะก็เพราะถูกรู้ได้ไงว่ามันมันว่างตรงเนี้ยก็ยังเป็นยังไม่ละเอียดพอไอ้ตรงที่บอกว่าความว่างเนะ่ะ ถ้าความว่างยังเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยมันก็ยังว่างไม่จริงเพราะยังเป็นเป็นสิ่งถูกรู้ได้นี่มันจะต้องเข้าถึงนู่นเลยเข้าถึงผู้รู้หมายถึงว่าเข้าถึงธรรมชาติรู้เมื่อกี้สิ่งที่ปรากฏก็ธรรมชาติรู้เป็นเป็นธรรมชาติที่รู้ใช่ไหมรู้ว่าเสียงเกิดเสียงดับแล้วก็ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏที่บอกเมื่อกี้อะ่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งถูกรู้ถือเป็นสิ่งถูกรู้นะ เพราะฉะนั aroma, ann, ้นอันนั้นก็ยังปรากฏปรากฏยังไงปรากฏว่ามันเป็นความว่างแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยอันนี้ไม่อาจจะถูกรู้ได้เลยไม่อาจจะถูกรู้ได้เลยธรรมชาติรู้เนี่ยจึงว่างจริงว่างจริงเป็นธรรมชาติที่ว่างจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดบนความว่างแต่ความว่างของอะไรก็ความว่างของธรรมชาติรู้ เคยเราพูดแล้วเหมือนกับว่ามันมีธรรมชาติรู้พอเรามันพูดถึงใช่ไหมพอเราไปพูดถึงธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งถูกรู้อีกแล้วอะ่ะโยมดูสิตรงเนี้มันถึงอธิบายยากแต่ว่าให้พอให้พอแบบว่าให้มันเกิดปัญญาก็แล้วกันนะนะ่ะเกิดปัญญาก็คือว่าอะไรที่ถูกรู้เนี่ยอันนั้นเนี่ยว่างไม่จริงเพราะมันยังเป็นสิ่งถูกรู้ได้แต่ธรรมชาติที่มันว่างจริงก็คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้ กูไม่ใช่รอเรือสระอูวรนอายุโท่นะไอนะ้นั่นเป็นตัวอักษรเป็นสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยพูดให้ฟังแต่เราอ่ะอย่าไปหมายว่าไอ้ธรรมชาติรู้มันเป็นยังไงเพราะถ้าไปหมายปั๊บเนี่ยกลายเป็นธรรมชาติถูกรู้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันหมายไม่ได้มันไปไปไปคเนไปจินตนาการไปมโนไม่ได้เด็ดขาดเพียงแต่ว่ามันมีอยู่กันแล้วกัน รู้ได้ยังไงมีอยู่เพราะมันไปรู้เรื่องเสียงและไปรู้ไอ้ธรรมชาติที่เป็นความว่างอ่ะที่มันไม่ใช่เสียงอ่ะที่มันรองรับเสียงเกิดดับอ่ะเห็นไหมมันไปรู้ได้เอาเข้าใจแค่นี้พอว่ามันไปรู้ความว่างแบบนั้นได้ความว่างที่เป็นสิ่งถูกรู้แต่มันอ่ะไม่อาจจะถูกรู้ได้เลยตรงนี้แหละถึงเ ร, เรียกว่าว่างจริงว่างจริงถ้าภาษาที่เขาสมมุติชื่อเรียก เพื่อให้มันเข้าใจกันนะนะเป็นแบบสมมุติว่าไอ้ธรรมชาติที่ว่างจริงแล้วมีความรู้เนะี่ยธรรมชาตินั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเลยสมมุติชื่อกันว่าเป็นจิตเดิมแท้หรือบางทีบอกมันไม่ใช่จิตหรอกเออจะพูดยังไงก็ได้แต่ธรรมชาตินั้นมีอยู่หรือจะบอกว่าเป็นจิตดั้งเดิมก็ได้นะก็ได้อยู่ให้เป็นคาสมมติไปนะแต่ว่าให้เราเนี่ยเออต้องใช้คเต็มเพื่อ ไอเราที่เป็นตัวสมมตินีนะให้เข้าใจอย่างเจีมแจ้งด้วยปัญญาว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมีอยู่จริงถ้าไม่มีอยู่จริงแล้วมันจะไปรู้ตามที่หลวงพ่อยกตัวอย่างได้ยังไงนะทีนี้พอเข้าใจตรงนี้มันเป็นเรื่องของปัญญามันอธิบายยังไงก็ถ้าไม่มีปัญญามันก็ฟังไม่เข้าใจแต่ถ้ามีปัญญาก็คือหลวงพ่อยกตัวอย่างแล้วแล้วมันก็เข้าใจได้พอเข้าใจได้เนี่ยมันก็คือจบเลยคือไม่ต้องสงสัยแล้วว่าไอธรรมชา ใช่ธรรมชาติรู้ที่มันเป็นความว่างจริงๆมีอยู่จริงนะแล้วเมื่อมันมีอยู่มีอยู่แบบไม่ปรากฏมีอยู่แบบไม่ต้องมาเกิดมีอยู่แบบไม่ต้องไปดับเพราะถ้าเกิดดับสแสดงว่าถูกรู้ได้อีกว่ามันเกิดดับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่เหนือการการรับรู้การรับรู้ของอะไรทั้งหมดเพราะมันเป็นรู้เสียเองแล้วเมื่อมันเป็นรู้เสียเองนะตรงเนี้ยมันก็จึงเหมือนกับว่ารู้จักตัวเองอ่ะรู้จักตัวเองว่าตัวตัวเองคือตัว ตัวที่ไม่ปรากฏตัวแล้วก็มีความรู้รู้แจ้งรู้จริงรู้ทุกเรื่องรู้สิ่งเกิดสึงดับแต่ตัวมันอ่ะมันรู้จักตัวมันด้วยว่ามันอ่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้คือพูดเพื่อให้เกิดปัญญากลายเป็นว่าที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยกลายเป็นหลวงพ่อเป็นคนรู้แต่มันก็รู้หลวงพ่ออีกว่าหลวงพ่อไปรู้เรื่องมันนะหลวงพ่อเนี่ยไปรู้เรื่องมันแต่มันก็ไม่ว่าอะไรเอ้าหลวงพ่อก็ไปรู้อีกว่ามันไม่รู้อะไรแต่มันก็รู้ รู้เราอยู่เรื่อยเลยทุกครั้งที่หลวงพ่อไปรู้มันมันก็รู้เราแต่จริงอะหลวงพ่อไปรู้มันอะจริงๆริอะเรารู้ไม่จริงหรอกเพราะว่าเรารู้แบบแบบสังขารเนาะเวลานอนหลับก็ไม่รู้แล้วแต่มันอะรู้จริงมันไม่มีการหลับมันไม่มีการตื่นคือมันไม่เป็นอะไรหมดเลยแต่ภาษาสมมติเขาบอกว่ามีหลับมีตื่นอันนี้คือเราสมมติไงแต่โดยปรัมมัดของมันอะโดยสภาพของมันอะถ้ามีปัญญารู้แจ้งรู้จริงก็คือเนี่ยต้องอธิบายลักษณะแบบเนี้ยคือพูดให้ฟัง โดยเอาสังขารเอาตัวเรานีไปพูดแต่มันอ่ะมันว่างจริงคือมันว่างจากคําพูดมันว่างจากหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่าเอาขนหยุดแล้วเอาต่อมีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมคือครูบาอาจารย์ทางภาคได้บอกว่าทํางานด้วยจิตว่างหรือว่าเออคําว่าว่างนี้มีความหมายว่างจากตัวกูของกูเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ละเอียดเนี่ยก็กลายเป็นเราว่างเรามันไม่มันไม่มีมันไม่มีเสียงมันไม่มีอะไรมัน มันเข้าใจว่าว่างตรงนั้นคือมันเงียบแบบไม่มีการพูดในภายในใจแล้วมันมันว่างแบบนั้นแต่มันกลายเป็นว่าเรารู้เรารู้ว่าว่างแต่จริงๆมันไม่เคยถูกรู้เลยว่าตรงนี้กลายกลายเป็นว่าเรารู้หมดว่าว่างแล้วเกิดขึ้นแล้วกับเราตรงนี้ถ้าเป็นว่างที่เป็นธรรมชาติรู้ที่หลวงพ่อพูดนั้นมันจะต้องมาเห็นอีกว่าที่เราว่างนั้นถูกรู้ใช่ไหมครับ ใช่คือถ้าว่างเป็นอย่างว่างที่เราถูกรู้ก็เนี้ยอย่างเนี้ยเมื่อกี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องเสียงกับกับสภาพธรรมะที่ว่างคือยังไม่มีเสียงเห็นไหมก็เป็นสิ่งถูกรู้่ะเออแต่ทีนี้มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้อันนั้นแหละธรรมชาติไอ้ที่รู้จริงอ่ะที่มันพูดอะไรไม่ได้แล้วมันไม่อาจจะถูกรู้ได้เนี่ยธรรมชาตินี้มีอยู่แต่ตรงนี้อมันยากพูดเพราะว่าแค่เราพูดเรื่องใจลักอ่ะยังฟังไม่ออกเลย ใช่ไหมแค่สิ่งเกิดดับนะซึ่งหยาบกว่ามันมีลักษณะการปรากฏแล้วก็หมดไปใช่ไหมจริงจริงมันหยาบมากแต่ธรรมชาติว่างธรรมชาติรู้เนี่ยธรรมชาติรู้ที่มันเป็นความว่างอนะ่ะทุกมันว่างเป็นสุญญตานะมันละเอียดละเอียดชนิดที่แบบมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เอาหูไปฟังก็ไม่ได้เอาอายตนะไปหาก็ไม่เจออ่าเนา ะ, ะเห็นไหมมันเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาเรื่อง ธรรมชาติที่ปรุงแต่งดีกว่าตรงนี้เพราะว่าเมื่อมีธรรมชาติปรุงแต่งปรากฏขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรุงแต่งก็มารู้เองแหละแล้วก็เห็นการเกิดดับด้วย <c oughs> แล้วก็จะเข้าใจโดยโดยปัญญาเลยว่าโอ้ไอ้ธรรมชาติรู้จริงอะ่ะมันมีอยู่แต่มันไม่เกิดไม่ดับอย่างเขาเรียกว่าให้ออกจากความเป็นคู่ๆนะอย่างมรรคบีองแปดนะมรรคีองแปดคือให้เราเป็นผู้ที่ไม่ ไม่ยินดีมายินแล้วคือไม่ไปสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งนะก็คือผู้รู้ก็เอาจิต่ตัวรู้หรือสิ่งถูกรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อใดเห็นตัวตัวรู้แล้วก็สิ่งถูกรู้ไอ้ตัวรู้มันว่างครับเพราะอะไรสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยนะแล้วสิ่งที่มันเสื่อมสลายบังคับมันช้าไม่ได้เนี่ยมันเป็นพันพยายามให้ให้เลือกเข้าใจเรื่องของสภาวะที่กาลังปรากฏ สถานะในสถานะหนึ่งทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจท่านดึงแต่ยลักเพื่อเห็นศักยัภาพของความว่างในในสิ่งที่กําลังปรากฏเนี่ยทั้งผู้พูดทั้งทั้งเสียงอะไรก็แล้วแต่สิ่งทุกรู้แล้วทั้งผู้รู้ก็สิ่งถูกรู้เรียกว่าทั้งจิตและอารมณ์เนี่ยไม่มีสภาวะอย่างเนี้ยท่านให้เข้าถึงสภาวะเบื้องต้นของความแม่เที่ยงทําการาความเสื่อมสล า, ายสุดท้ายบางังคับบัญชาไม่ได้ควรหรือ แลท่านอาจารย์อ๋อพูดผูกนั้นว่าไอ้ตัวที่เห็นเนี่ยมันมีมิติสองมิติมิติแรกคือตัวจิตคือตัวผู้รู้มิติตัวที่สองคือสิ่งถูกรู้เมื่อเราไม่ไปสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งรู้ก็ไม่เอาเพราะไงเดี๋ยวมันก็ดับไอ้สิ่งถูกรู้ก็ไม่เอาเดี๋ยวมันก็ดับทั้งอารมณ์ทั้งจิตเดี๋ยวมันก็ดับมีอะไรมั่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมันก็ดับเมื่อเราเห็นว่าสองสิ่งในเนี้ยทั้งผู้รู้แล้วสิ่งถูกรู้เนี่ย มันมีสภาวะเดียวกันคือสิ่งที่ที่มันไม่แน่นอนอ่ะสิ่งที่ไม่แน่นอนอ่ะเราควรหรือว่าเป็นของว่างนะแล้วควรว่ามันไม่ว่างหรือเปล่านะถ้ายมบอกว่าเนี่ยทั้งผู้รู้นละสิ่งเรือรู้ถ้าเราหลงนะมันจะเหมือนว่าเราเที่ยงเหมือนว่ามันไม่เสื่อมสลายเหมือนว่ามันบังคับบรรชาได้เพราะอะไรอะไรไปเห็นว่ามันเที่ยงอะไรเห็นว่าไม่เสื่อมสลายเห็นอะไรที่เราคิดว่ามัน สามารถควบคุมได้ไอตัวควบคุมนี่แหละไอตัวผู้กำกับนี่แหละมันมีตัวจัดการเนี่ยที่ที่เซนเขาบ่าเมื่อใดธรรมชาติมันพูดได้มันก็จะไม่ว่างเนี่ยมันมีตัวะระบายความว่างอีกทีห น, นึ่งเนี่ยมันประยุทธ์ความว่างมันมันมีคามําว่าเมื่อใดเธอมีความว่างเธอก็ต้องมีคําว่าไม่ว่างแต่เมื่อใดเธอถึงสภาวะหนึ่งช่องว่างระหว่างกว้างทั้งว่างและไม่ว่างเมื่อนั้ น, น่ะสิ่งนั้นจะปรากฏแต่ไม่สามารถเ อ, อ่ยชื่อได้นะ ประมาณเนี้งงหรืเอเปล่านะมันจะเลิกหน่อยอืมก็ให้ออกจากความเป็นคู่คู่นั่นแหละให้อยู่ทางสายกลางเนี่ยไม่สุดโต่งเนี่ยไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเขาเรียกว่าเมื่อใดมีเกิดที่หน้าบีดับที่ใดมีว่างที่นั้นก็ย่อมไม่ว่างและอะไรมันไปนรู้นะสองตัวเนี้ยมันมีตัวรู้ตลอดเวลาตามมันเห็นว่าทั้งทั้งสองสุดโตง่งทั้งสองข้างเนี่ยมันมีสภาวะเดียวกันก็คือมันเป็นของว่างอยู่แล้ว เมื่อใดถ้าเราไม่ถ้าออกจากความเป็นคู่ได้จะเป็นเหลือแค่ทำหนึ่งคือทำว่าทำหนึ่งคือเลยสิ่งที่เป็นของมันคู่คือมีเกิดมีดับมีว่างไม่ว่างแต่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วนะมันเป็นหนึ่งเดียวคือไม่เป็นของใครงงไม่ยมอ่มสิ่งที่ถูกรู้มันไม่เป็นของใครนั่นแหละเพราะธรรมคำว่าทำหนึ่งก็คือเราออกจากความเป็นคู่คู่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่เยินร้ายนะ แต่พอเราเห็นว่าสิ่งเป็นคู่เนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนแต่เมื่อดาวเห็นสิ่งที่เป็นคู่เนี่ยมันมีสภาวะเดียวกันเป็นของว่างเลยไอ้ก่อนไอ้ว่างไอ้ผู้รู้ก็ว่างไอ้ถิ่นถูกรู้ก็ว่างแหละสิ่งที่ว่างก็คือมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อะ่ะนะมันของไม่แน่นอนมันเสื่อมสลายพระพุทธเจ้าดึงตาล้เพื่อให้เข้าสู่มิติของความว่าง อ, ะอ่ะแต่สิ่งจะบอกว่าไม่อาถ้าถ้าว่างแล้ะที่พระอาจารย์พูดอ่ะใครพูด ไอ้ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของขันห้าแต่เราไม่ไปหลงมันมีคําว่าหลงอ่ะจากตัวที่มันหลงมาเปลี่ยนเป็นตัวรู้เนี่ยถ้าหลงเนียมันจะไม่ว่างมันจะมีคําว่าเป็นคู่อ่ะหลงความเป็นคู่ว่างไม่ว่างหลงสิ่งถูกรู้และผู้รู้เนี่ยแต่เมื่อใดมันรู้เท่าทันอะไะรู้เท่าทันคือรู้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะเท่าทันก็คือมันเท่าทันอารมณ์ที่ที่ไม่ที่เป็นคู่คู่อ่ะสู่ความเป็นกลางเนี่ย เห็นสิ่งที่ปรากฏสู่ความไม่เป็นกลางสู่ความเป็นกลางเมื่อนั้นเธอก็จะออกจากความเป็นคู่คู่หรือแค่ทำหนึ่งอ่าทำหนึ่งคืออะไรทำหนึ่งก็คือไม่เป็นของใครอ่าเหมือนธาตุธาตุรู้จิตสุดท้ายนาะก็ธาตุรู้ลมก็เป็นของลมลมไม่มีชื่อไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่กระทั่งตัวรู้มันก็ไม่มีชื่อไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นะนั่นคือกลับสู่สภาวะดั้งเดิม มารู้อาจารย์อ๋อจะเสริมอะไรหรือเปล่านะก่อนนิดแล้วกันเนาะคือบางทีเวลาเราคุยเนี่ยมันมันก็มันยาวอะเพราะว่าเอาสังขารไปปรุงแต่ไอความไม่ไม่เกิดไม่ดับอะมันไม่เป็นสังขารเนาะมันปรุงไม่ได้ไงกลายเป็นว่าเราพูดฝ่ายเดียวหมายถึงว่าฝ่ายสังขารเนี่ยปรุงเอาปรุงเอาแต่อันนู้นเป็นความไม่ปรุงนะแต่นี้ให้มีมมมองอย่างนี้แล้วกันเอาคําสอนพระเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องอ น, นัตตาเนาะคือความเป็นตัวตนเนี่ย มันไม่มีอยู่จริงความเป็นบุคคลก็ไม่มีนะมีแต่เเขาเรียกว่าถ้าพูดขันห้าก็มีแต่ขันห้านะเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเราไม่มีมายถึงว่าความเป็นตัวตนไม่มีนะไม่มีนะอ่าเมื่อมันไม่มีเข้าใจเป็นนิพพานภาษาไทยเลยนะไม่มีคือไม่ปรากฏเมื่อไม่ปรากฏนั่นแหละก็คือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือเป็นความว่างเมื่อกี้ที่เราถามกันว่าเอ้ามันมีความไม่ปรากฏหรือก็มีไงเพราะฉะนั้นที่มันปรากฏก็คือ ก็คือสิ่งเกิดดับก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมเออสังขารเกิดดับอ่าขันห้าเกิดดับแต่ขันห้าไม่ใช่เรานะในพระสูตรไหนก็พูดถึงาขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นขันห้าไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราก็แปลว่าคือเราไม่มีไม่มีเรานะเมื่อไม่มีเรานี่ไงคือความความไม่ปรากฏความไม่ปรากฏแห่งความเป็นตัวตนความไม่ปรากฏแห่งความเป็นตัวเราอันนี้ไงก็คือสิ่งที่ที่ที่ถามเมื่อกี้ ถามว่าเอามันมีจริงเหรอมันมีอยู่เหรือว่าความไม่เกิดความไม่ปรากฏก็มีไงมีอะไรก็คือที่มีก็คือมีแค่ขันหน้าเนี่ยพูดไปก็วนแต่ความไม่มีคือเราไม่มีเมื่อเราไม่มีนั่นแหละคือความไม่ปรากฏมันก็จบลงตรงนี้แหละอ๋อะฉะนั้นที่ที่เราทุกวันเนี้ยที่เข้าใจผิดไงเข้าใจผิดก็คือไปยึดขานหน้ามาเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราแล้วก็ คุยกันเท่าไหร่ก็คือปัญญามันมันก็ยังคือปัญญาจากการฟังอ่ะเข้าใจไงแต่ปัญญาจากการเป็นอ่ะการแบบการเป็นแบบเป็นธรรมชาติเลยจริงๆอ่ะมันไปไม่ถึงเพราะว่ามันเอาขันห้านี่ไปบังเอาตัวเราเนี่ยไปยึดความยึดถือเนี่ยมันไปบังซะแต่ทีนี้ถ้าเข้าใจถูกจริงๆว่าขณะพูดกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนกําลังมีความรู้สึกอ่ะเป็นแค่ขันห้าเป็นแค่สภาพธรรมะปรากฏนะแลยไม่ได้หลงผิดเลยว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ย นี่ไงก็คือความไม่เกิดไม่เกิดคือไม่เกิดของความเป็นตัวกูอะ่ะตัวกูไม่เกิดตัวกู้ไม่มีมันก็เข้าใจยากแต่จริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องต้องซักต้องซ้อมต้องต้อนต้องอะไรกันแหละมันจะเกิดปัญญาได้เนาะเออเมื่อกี้เราก็นึกถึงโยมเลนไปไหนแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วเหรอนึกถึงอยู่ว่าห้องมันที่อยาแต่โยมเลนก็ดีเพราะว่าเป็นคนเหมือนกับว่าจุดประกายให้มีการอ่ พูดคุยกันนะ่ะนะอืมมันจะได้เกิดปัญญาขึ้นมานะเอ า, ากลับมานะหลกลอนให้กลับมาคือให้รู้ตัวรู้ว่าตัวเนี่ยเป็นแค่ในตัวเราเป็นทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งถูกรู้นะในตัวเราอะนะขันห้าเนี่ยเพราะว่ามันมีวิญญาณด้วยใช่ไหมเอ่อก็เป็นทั้งสิ่งถูกรู้ทั้งผู้รู้แต่ทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งถูกรู้เนี่ยมันเกิดดับมันเป็นขังขันปรุงแต่งแต่มันมีธรรมชาติเหนือไปกว่านั้นคือธรรมชาติที่ ที่ไม่ปรุงแต่งแต่มีความรู้มีอยู่แต่ไม่ต้องไปหาหรอกว่าไอ้ความรู้ไอ้ความไม่ปรากฏมันคืออะไรถ้าไปหาเนี่ยไปหาไม่เจอแต่สุดท้ายยามันเจอแต่เราว่าเราอหาแล้วกําลังเดินหากําลังคิดหากําลังถามหากําลังไปค้นหาหาไม่เจอแต่ถ้ากลับมารู้เราเนี่แหละมันจบอยู่ตรงนี้แหละง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปอื่นแล้วรู้ตัวเรากลับมารู้ตัวเราแล้วก็มันจบ คือไม่มีที่ไปไม่ต้องไปหาอะไรเพราะตัวเรามันมันเจอทันทีขนาดที่ระลึกได้จึงไม่ต้องไปหาอีกมันก็ตันหาหมดเพราะคือไม่ต้องหามันก็คือไม่ตันคือถ้าหาเนี่ยมันตันอืมแต่ถ้าไม่หาไม่ตันก็คือตัะหาไม่มีก็คือจบตรงเนี้ยจบตรงรู้เรารู้กายรู้ใจเป็นไม่มีใครไปกว่านี้แล้วจะสรุปได้ไหมครับว่าในมีเนี่ยไม่มีพูดในพูดนั้นไม่มีจริง เพราะสภาวธรรมนั้นเราก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แที่ปรากฏขึ้นเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยทั้งหลายแหล่แต่แต่สิ่งที่ที่มันไม่เกิดไม่ดับมันไม่มีเหตุแต่ก็แปลกอย่างว่าก็ต้องอาศัยเรื่องของขันห้าในการที่จะไปรู้สิ่งที่มันไม่มีปรากฏมันก็น่าสงสัยนะครับมันน่าน่าน่าจะมีก็สงสัยเหมือนกเพรากอ่อนผมเคยถามอาจารย์ว่าเอา่อเรามี อะไรนะรูปธรรมนามธรรมเป็นเป็นสักว่ารู้สักว่าเห็นที่ว่าให้ดูฮะสักว่าอาศัยให้รู้ดูตอนแรกผมก็งงกันสักว่าอาศัยถ้าจิตมันไม่ผู้รู้นันไม่มีที่อาศัยแล้วไปยังไงอะไรเงี้ยฮะพรนุ่นงพ่อออดอธิบายเข้าใจะเอียดดีกลัวหลวงพ่อออดอธิบายที่เรื่องใครถามก็ก่อนนะครับจริงๆบางคนอาจจะสงสัยตรงนี้หรือจะจําผิดนะครับขอบคุณครับหลวงพ่อออดครับคือธรรมชาติรู้เนี่ยนะหรือจะเรียกธาตุรู้เนี่ยนะ เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่แต่ถ้าไม่มีอะไรให้ถูกรู้เนี่ยแล้วปัญญานะปัญญาของผู้เอ่อเาเรียกว่าผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมเนี่ยอ่าก็จะไม่เกิดนะก็จะไม่เกิดดีเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งสิ่งถูกรู้เนาะมันก็เลยรู้จักธรรมชาติรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งถูกรู้เนี่ยก็เป็นแค่อาศัยอาศัยเพื่อทำให้เกิดอ่าหมายถึงว่า คนที่เป็นบุคคลเนี่ยนะคนที่เป็นปุตตุชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะได้เข้าใจว่าอ๋อไอธรรมชาติรู้เนี่ยมันมีอยู่ทำไมจึงรู้จักว่ามีอยู่ก็เพราะมันรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏอ่านะพอเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏถึงมันมีสภาพธรรมะที่รู้อยู่แต่ก็ไม่อาจจะมีปัญญารู้จักธรรมชาติรู้ได้เพราะว่า มันรู้ได้ยังไงนะเมื่อมันมันเหมือนกับทำไมพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจทำไมต้องรู้เรื่องทุกข์อ่ะก็สอนให้รู้เรื่องทุกข์เพื่อจะพ้นพ้นทุกข์นะเนาะถ้าไม่มีทุกข์ให้รู้หรือทุกข์ไม่มีอยู่จริงเออมันก็ไม่ต้องมาเรียนเรื่องพ้นทุกข์เพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ทุกมันมีอยู่คือขันห้าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุกต้องกาหนดรู้ต้องรู้ เป็นกิจเลยเป็นกิจในอริยสัจคือต้องรู้รู้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะข้ามพ้นทุกู้รู้ว่าทุกเนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่าเห็นไหมเนี่ยอันเดียวกันเลยต้องอาศัยทุกเนี่ยอันเดียวกันเลยนะต้องอาศัยทุกเพื่อที่จะพ้นทุกอ่าเพราะนั้นที่ยอมยมเพิินถามเนี่ยคือก็ลักษณะเดียวกันต้องต้องอาศัยมันนะเพื่อจะให้รู้จักอีกสิ่งหนึ่งน้องมนะซึ่งเมื่อวานน้องที่สนทนารมว่า มันมีขันห้าทำไมต้องมีขันหกแต่ถ้าน้องเข้ามาฟังวันเนี้ยคงจะเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับครับคือบางทีนะขันห้าเนี่ยเขาก็พูดในเรื่องขังขันห้าแต่ทีนี้บางทีเนี่ยในขันห้าเนี่ยนะมันพูดยังไงดีอเดี๋ยวมันต้องขยายที่มาที่ไปอ่ะวันนั้นหลวงพ่อก็พูดแล้วว่า ถ้าเรารู้จักแต่เพียงขันห้าเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเนี่ยมันก็บางทีมันปัญญามันก็ไม่เกิดนะทีนี้พอมารู้จักที่มาที่ไปว่าขันห้ามันมาจากอะไรก็มาจากธาตุผสมกันเห็นไหมเรารู้จักเรื่องธาตุแล้วลำเพียงอ่าลาพังเพียงแต่ธาตุนะสมมติว่าธาตุธาตุไฟธาตุไฟหนึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นขันห้าได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาธาตุไฟผสมกับธาตุน้ามันเป็นขัขันห้าได้ไหม ก็ยังไม่ได้มันต้องครบผสมกันอย่างน้อยก็ธาตุสี่สี่ธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยอย่างน้อยมันก็เออยังเป็นรูปกายได้ใช่ไหมเออเป็นมหาพุตรูปอะ่ะเขาว่าภาษาอาพิธรรมเขาบอกแต่อย่างน้อยก็สี่ขันมาผสมกันถึงจะเป็นรูปได้แต่ส่วนน้ําเนี่ย น, น, น, นู่นมันนุงธาตุรูนวินยนณาณธาตุนู่อีกธาตุหนึ่งซึ่งไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมแล้วมันก็มาผสมอีก พอมันมาผสมนะก็กลายเป็นอสุจิระมีหกธาตุดินน้ำไฟลมไฟอากาศมันก็กลายเป็นเนี่ยเรียกว่าขนเรียกว่าศัพท์เนี่ยเที่เป็นอย่างนเนี้ยครบห้าเนี่ยเออเพราะฉะนั้นขันห้าคือส่วนผสมของธาตุซึ่งมันมีลักษณะแตกต่างไปจากธาตุใช่ไหมล่ะรูปอย่างเงี้ยต้องสี่ธาตุเนี่ยแต่มันออกมาเป็นรูปส่วนวิญญาณธ า, าตุเนี่ยเออมันก็ออกมาเป็นวิญญาณออกมาเป็นสัญญาออกมาเป็นนู่นมันมาเป็นอย่างเงี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ที่มานะเออที่มาเมื่อวานเราพูดหรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้ธาตรู้เนี่ยมันยังเป็นธาตรู้ที่ยังมีอวิชาห่อหุ้มอยู่อวิชาเนี่ยคือความหลงความยึดซึ่งมันมันมันเป็นความโง่เนาะมีความยึดอยู่ในที่มันติดมากับธาตรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมันธาตรู้มาผสมกับดินน้ําลมไฟมันก็ยึดแหลกยึดแหลกเลยยึดสะบั้นไปหมดเลยยึดดินยึดน้ํายึดไฟยึดลมยึดหมด ยึดร่างกายเนี่ยพอเป็นขนันธ์ห้ามันก็ยึดไม่เหลือยึดหมดนะทีนี้พอขนันธ์ห้าแตกสลายไปเอาวิชาเนี่ยถ้ายังมีอยู่นะเออยังไม่เป็นวิชาเนี่ยมันก็ยังยึดอยู่มันก็มีพบชาติเป็นที่เกิดอีกมีเหตุปัจจัยใช่ไหมยังไม่หมดเชือ้ออืมเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่หมดเชือ้อมันก็เวียนเกิดเวียนตายหมายความว่าไปยึดไปทั่วแล้วก็ไปมีพบมีชาติแล้วก็ได้ร่างกายใหม่มาหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่มันก็ยึดแต่พืชแต่ผือพอสิ่งนั้นดับไปมันก็ยังไม่สิ้นเชื้อมันก็มีพบเกิดแต่ถ้าปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือมีปัญญาจริงๆอ่ะมันก็ดับอวิชาได้เพราะดับอวิชามันจึงรู้เลยว่าเอ้าอะไรก็ยึดไม่ได้ใช่ไหมรูปก็รูปเวทนาก็เวทนาสัญญาก็สัญญาสังขารก็สังขารวิญ ญ, ญาณก็วิญญาณพวกเนี้ยดับหมดดับสนิทแต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยซึ่งมันเป็นธาต มันไม่ใช่ขันห้ามันก็เลยไม่ไม่ต้องดับเพราะมันไม่ดับมาตั้งแต่แรกแล้วแหละมันเพราะว่ามันไม่เกิดไม่ดับมาตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าเอาวิชามันห่อหุ้มเพียงมายึดน่นยึดนี่พอเป็นเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้แล้วมีวิชาแล้วเนาะมันก็เป็นทาตามธรรมชาติไม่ได้ยึดถือสิ่งใดแล้วเกลี้ยงแล้วมันก็ต้องไม่มีภพชาติเกิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่ที่บอกว่าไอ้ตัวยึดเนี่ยไอ้นี้มันไม่ใช่ขันห้าแต่มันติดมากับ วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุมันก็ไม่ใช่ขันห้าอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ไม่ใช่ขันห้าเพราะมันเป็นสิ่งที่ติดมากับวิญญาณธาตุเออมันก็พูดยากอะนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยเจริญให้มากเนี่ยมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะรู้เองแหละว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติหรือฟังตำราอะไรเนี่ยเราก็เชื่อตามที่ตำราเขาเขียนแต่เขาเขียนยังไงเราก็ไม่รู้เพราะตำราเวลาเขียนเขาเขียนเรื่องอะไรล่ะ เรื่องขันหา้าเรื่องท่าเรื่องอายตานะเรื่องปฏิจสมุบาตเรื่องอิทัปปยะตานูเขียนเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเราจําจำมาหมดเลยอะ่ะแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ยมันก็คงเข้าใจสภาวะเองแหละว่าเออเนาะว่ามันอะไรเป็นอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแน่ๆเลยเนี่ยตรงนี้หาง่ายเลยว่าใครล่ะไปเรียนใครละไปจำทำไมถ้าเราไม่เห็นตัวเรามันวางตัวเราไม่เป็นอะ่ะมันก็เถียงคอเป็นเอ็นเพราะว่า มีอวิชาไปยึดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาใช่ไหแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็คือตำราเขาว่าอย่างไรก็รู้แต่ก็ไม่มีผู้ยึดตำราเขาว่าอย่างนั้นก็ ร, รู้รู้ตามตำราแต่ก็ไม่มีผู้ยึดอย่างนี้มันหลุดพ้นนะไม่ว่าอะไรนะคือได้แต่รู้แต่ก็ไม่ยึดอะไรสักอย่างเลยเพราะว่านี่พระศาสดาสอนเราในขั้นสุดท้ายคือสัพเพธรรมานารังอภิญเวสายะเลย หทำทั้งปวงเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ค<ม>วรยึดมั่นนะคือมันไม่มีผู้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเขียนยังไงก็เขียนไปแต่รับรู้ได้แต่ก็ไม่ควรเป็นยึดไม่มีตัวตนใครไปยึดมันก็คนทุกไป